อันสาธุชน 16 สิงหาคม 2533 เป็นการบันทึกหนังสืออันเล่น 18 การ จะเอาเรื่องปัจจุบันมาคุยกันก่อนเรื่อง 12 สิงหาคม 2533 เป็นวันเป็น 2518 แล้วก็มาเป็น 2-3 ปีเพราะป่วยมาก ที่เคยเข้าไป <c oughs> ตว่าสําหรับพระอาตมา 2533 พอร่างกายไม่ เธอก็มาให้น้ำเกลือและให้ยานอน <c oughs> ตามหมายรัฐการ น. แล้วขึ้นไปที่ <c oughs> น. น. แล น, นหลังจาก เวลา 16:00 เว น. ถึงเวลาเป น. เป็นเวลาที่อาตมาท้องถ่ายเป็น น. ถึง 19:00 น. ได้อย่างน้อยคร 19 3 ครั้งถ้าเข้าไป อันนี้เพราะว่ากายเข้าออกลําบาก <c oughs> เออก่อนจะเดินทางไปอยากบ้านจะคมเสริมไป ทางเข้าไม่ดีมันเดินจะล้มเดี๋ยวเข้าไปในวัง มาถึงก็รับพัดแล้วก็นําไปตั้งให้แล้วก็นําไปที่พักที่เต็นท์ข้างพระที่นั่งจักรพรรดิมารเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏว่ามีพระอยู่หลายองค์เมื่อเดินเข้าไปดูพระมา อาจารย์สมชายวัดเขาสุขกิมท่านนั่งอยู่ จะยากจะลําบากเพียงใดก็ <c oughs> ก็คุณท่านก็ไปเข้าห้องน้ําไปด้วยกันหลายองค์อาตมาไม่ต้องถ้าโมติเขาจะคิดว่าอาตมานี่เข้มข้นมัธยัสถ้ําดื่มต่างๆก็ไม่ฉันกาแฟก็ไม่ฉันโอวัลตินก็ไม่ฉันที่ไม่ฉันก็เพราะว่า พอชงกาแฟหรือน้ําชาเดินนั่งยืนงงๆงงๆไปตามๆไป อันเป็นองค์ที่เข้าไปองค์แรกเรียกพระราชพรมยานเป็นองค์ที่เข้าไปองค์แรกพอเข้า ก็ถือว่าที่นั่งเป็นสุขคันไปถึงก็นั่งต่อกัน <c oughs> รู้สึกว่าท่านคุยเป็นที่ถูกใจอัธยาศัยดีเรียบร้อยแล้วมหาธรรมยุตได้ง่ายอาตมาก็ถือว่าจะเป็นมหานิกายก็ตามมหาธรรมยุตก็ตามอาตมาไม่ถือคณะเป็นสําคัญ <c oughs> คือแต่ต้น สมศักดิ์ศรีกับความเป็นพระๆก็เป็นมาคุยกันต่อไป ตอนภาวนาก็คิดว่าเราจะภาวนาบทไหนดีคํา ขอภาวนาบทนี้จะเป็นที่ ก็ความจริงๆแต่ก็ขึ้นกับจิตใจเมื่อๆจิตจะเริ่ม ข้างพระเจ้านั่งอําอ่าจักรพรรดิธิมานที่นั่นมีทั้งน้ํามีทั้งมีทั้งหมาก ก็เวลาอยากน้ํามันก็เลยยังไม่ไม่มีน้ําจะกินเวลาอยากจะพูดน้ําลาย มีสภาพแจ่มใสมากเข้มชัดเจนมากเหมือนกับเรา ท่านบางกูอ่ะพ่อหมู่ชั้นปรณิมมทวสวัสดิ์ครับก็ยังไม่แน่ใจว่าชั้นปรณิมมทวสวัสดิ์นี่มันเป็นสวรรค์แต่ว่าท่านวงนี้ลักษณะท่าทางของท่านเป็น เน็บพระบรรดาอํานาจบุญญาธิการของพระพระบาทสมเด็จเจ้า <repeated Vallahi corri endo> ว่าพระบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีมีคนคิดปองร้ายในท่านในวิธีการที่เยียบยลที่ เจ้าที่จะมหามหาราชศาสตร์ปฏิบัติดังอย่างนี้ทุ่มเลือดเหนื่อยทุกอย่างเพื่อประชาชนทําทุกชาติทําทุกอย่างเพื่อประชาชนในชาติปลอดภัยจากภัยสงครามและทําทุกอย่างเพื่อ ผมก็คนนั้นแหละที่มีหน้าที่ป้องท่านป้องกันแล้วก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เป็นหัวหน้า ความปลอดภัยของพระบาทนี่จี๋หัวกับพระบรมนาถสีหนาท ก็พอดี แต่ว่าข่าวที่แนบเนียนที่จะต้องการสังหารพระบาท <c oughs> ท่านก็ไม่พอก็บอกว่าอ๋องนี้เป็นเทวดา <c oughs> <c oughs> เนื้อท่านท่านจำลีพรหมไม้แก้วเนื้อ <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัท พอสวดมนต์ไปได้ครึ่งหนึ่งก็ตามด้วยพวกผีก็ตอนให้พรถวายพรฝนตกหนักขนาด หลังจากนั้นบรรดาท่านพระพุทธบริษัทก็ถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวพระเสด็จมาอาตมาก็ไม่ได้ ก็ได้ยินเสียงมะยังพันเตได้ แต่ว่าเริ่มออกมาทั้งนั่งแถวในแต่ไม่มีใครบังหน้าเค้าตั้งให้เหลือบออกมาเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดใหม่บ้างไม่ไหวบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะร่างกายมันเหนื่อยเหลือเกินมันเพลียแล้วก็มันเหนื่อยมากก็สวดตาม <c oughs> สมเด็จพระสงฆราชให้ศีลเสร็จสมเด็จพระสงฆราชก็แสดงว่า อาตมาก็ทําตามปกติตอนนี้เห็นว่าสยามเทวาธิราช แต่แต่บรรณังอะมะอ้อเฮากล่าวหา ก็ได้ไหว้ธรรมกับ ตอนลูกเดินไปตอนนี้ถ้ามาได้ผู้ อาการป่วยไข้เป็นอย่างไรบ้างก็ก็ถวายพระพร แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นเวลาถวายพร พรรคดินดำน่ะถูกเปลี่ยนไปแล้วคือไม่เป็นพระราชานายชั้นสามัญดินดำแต่พรรคที่มาถือว่านั้นเป็นพรรคที่เอาตักข้างหลังเป็นพรรคมีดินดำ แต่ก็ไม่เป็นไรก็คง 36,000 บาทก็ยังไม่ อิบริการ 1 ชั้นได้กับชั้นสามัญไม่เหมือนกันที่ตอนนี้หลังจากยถาสัพพีมาเรื่อยมาจน นะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายท่านเจ้าคุณมหานายกฝ่ายขวาของท่านท่านได้สมเด็จพระสังฆราชหากว่าท่านรู้จักหรือพบเห็น <c oughs> ท่านก็คุยดีก็คุยดีถ้าบอกท่านเป็นคนกำแพงแสนแต่ครั้งนี้ และถึงเจ้าหน้าถือการพระศาลเจ้าเจ้าคุณ <c oughs> 2 คนแล้วก็ก็มีลูกสาวอีกคน ต่อไปที่ เวลา 2:00 เสเว น. เสร็จเวลา 4:00 น. ก็ถึงๆหลังจาก 4:00 น. นแล้วก็ไม่เคยหลับเลยตลอดคืนเพราะ